นหันหน้าไปทางประประทาน <c oughs> ตอนนี้นั่งให้สบายทำใจให้สบายหายใจให้คล่องคล่องให้มีสติ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 การฝึกสมาธิหรือคำว่าสมาธิเป็นชื่อของธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งแปลว่าความมั่นใจหรือความตั้งใจมั่นมั่นต่อการเดินยืนนอนนั่งรับทาน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 สมาธิไปในตัวและคำว่าสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเข้าใจคำว่าสมาธิในวงกว้างๆอย่าเข้าใจแค่เพียงแค่วิธีการ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 พยายามควบคุมจิตของเราให้จดจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์เท่านั้นพยายามฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญถ้าเราฝึกต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุ ก, ทกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเราให้ดีขึ้น เพราะได้กล่าวแล้วว่าในขณะที่อาจารย์สอนเราท่านรวมกำลังจิตและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเราเอาใจจดนเนาจิตจดจ่ออยู่ที่ตัวอาจารย์เราก็ได้รับเอาพลังจิตและวิชาความรู้จากอาจารย์ในระยะแรกแรกให้สังเกตดูว่า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 เวลานี้นักเรียนมาฝึกสมาธิเพื่อจะให้มีความเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองหลักและวิธีการฝึกสมาธิในท่านั่งสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลา ถ, านานถ้าเรานั่งกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านั่งแต่ถ้าเวลาเรายืนกำหนดจิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าที่ยืนเมื่อเรามีสติกำนดรู้จิตของเราในท่านอนเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านอน เวลาเดินจงกรมเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าเดินยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบทบริหารร่างกายเพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทรมานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่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 ทุกขณะจิต ท, ทุกลมหายใจเราก็จะได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเมื่อเราเข้าใจกันเช่นนี้การฝึกปฏิบัติสมาธิจะไม่มีอุปสรรคเพราะเราจะปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกโอกาสเอาตอนนี้ไป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 เมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปก็ปล่อยให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดไปถ้าในบางช่วงจิตของเราทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ความคิด ถ้าหากจิตของเรายังไม่มีพลังงานพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตเขาจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดคิดแล้วจะกลายเป็นความว่างก็ปล่อยให้ว่างรู้อยู่ที่ความว่างถ้าว่างไปนานๆลมหายใจปรากฏก็กาหนดรู้ลมหายใจ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 ความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดมีพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกำหนดรูลมหายใจความคิดความว่างให้จิตของเราเดินอยู่ในสามจังหวะนี้ กำหนดรู้ด้วยความเบาๆลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอย่าไปบังคับจิตให้สงบ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 ลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตไปรู้อยู่ที่ความคิดความคิดก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อไปกําหนดรู้อยู่ที่ความว่างความว่างก็เป็นฐานที่ตั้งของสติ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 ให้พวกเธออยู่ในสมาธิภายในหนึ่งนาภายในสามสิบนาทีแล้วจวงตื่นจากผวังออกจากสมาธิทุกครั้งที่ทำสมาธิให้จิตสงบนิง่งเป็นสมาธิอยู่ภายในสามสิบนาทีอย่าให้เกินนั้น แล้วก็ตื่นจากพวังออกมาสู่ปกติธรรมดาหายใจให้สบายทำใจให้สบายอย่าให้เกิดมีความตึงเครียด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 ก็ปล่อยให้จิตลิ่งร่างกายตัวตนไม่ต้องสัน่นไม่ต้องโยกก็ได้ให้สงบสบายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่จิตสงบรู้ตื่นเบิกบานแม้จะมีปีติ ก็ให้มีปีติเฉพาะในจิตเท่านั้นคือจิตรู้สึกแยมแจ ม, แจมแกระยิมกระยิมอยู่ภายในไม่ต้องถึงกับตัวสั่นตัวโยกตัวโครมประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจ ความคิดและความว่าง อยู่ตลอดเวลาหนั่งในทานี้เน็บมันกวนปวดหลังจะขยับก็ได้แต่ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างให้รักษาสติตัวเดียว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 เข้ไปอีกทีรอยออกไป ใจปกติธรรมดาลูจิตหายใจเฉย หยุดพักได้ที่นี่พอหยุดแล้วเรามาฝึกสมาธิด้วยการสวดมนต์นัน่งพับเพียรธรรมดาธรรมดา <c oughs> รวมจิตสวดมนต์ซะก่อนให้กำหนดสวดมนต์ว่าจังหวะช้าๆแต่ให้มีสติที่ว่าทำสมาธิด้วยการสวรดมนต์ ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเวลาสวดมนต์กับเวลานั่งสมาธิคนละเรื่องเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าสมาธินี่เราทำได้ทุกโอกาสต่อไปนี้จะพาสวดมนต์ทำสมาธิให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสวดแล้วทำความรู้สึกในการว่าไปแต่ตัวอักษร ให้มันชัดเจนเอาเริ่มต้นด้วยอีติปโซอีติปโซภะกวาอาราหังสรมม ตาโรภุริมมสัตถมัสสะธาเดวมนุษสนังบุทธโภคกวาตินึกในใจว่า พ, พุทธโธธรรมโธสังโธพุทธโธธรทรมโธ สังโฆโพธโฆธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อยู่ในจิตของเราตลอดกาลเพราะจิตของเราเป็นธรรมชาติรู้รู้ตัวนี้แปลว่าพธิ์โฆโพธโธแปลว่ารู้ เมื่อเรามีจิตรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็อยู่กับพุทโธตลอดเวลายืนรู้เราอยู่กับพุทโธนั่งรู้เราอยู่กับพุทโธนอนรู้เรานั่งอยู่เรานอนอยู่กับพุทโธเดินรู้เราเดินอยู่กับพุทโธ รับทานดื่มทำพูดคิดเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรารับทานดื่มทำพูดคิดอยู่กับพุทโธนี่พากันเข้าใจอย่างนี้จิตรู้คือจิตพุทโธพุทโธคือจิตรู้พุทโธแปลว่าผู้รู้ ใครมีรู้ผู้นั้นมีพุโทโธอยู่ในจิตเอาละตอนนี้ก็พักตามอัธยาศัยก่อนแล้วต่อไปอาจารย์อาจจะพาพวกเราเดินจงกรม อัจจุนนักเรียนทั้งหลายได้ตั้งใจมาเข้าค่ายอบรมธรรมะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อเสริมสมรรถภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็ง ในการที่จะประกอบ ธ, ธุรกิจการงานมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นโดยธรรมชาติของจิตนั้นจะมีเพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วผิดชอบชั่วดีเคตเลื่อยเปื่อยไปอย่างไม่มีสถานี <c oughs> ที่เราจะมีความรู้สึกสํานึกผิดชอบทั่วดีก็เพราะอาศัยการฝึกสมาธิให้จิตของเรามีสติมีสติคือความรู้สึกสํานึกแล้วพวกเราก็ได้เริ่มต้นฝึกสมาธิมาแล้วตั้งแต่เริ่มที่พ่อแม่ เริ่มสอนให้เรารู้จักรับทานรู้จักกัดเดิมรู้จักขักถ่ายรู้จักพักผ่อนหลับนอนรู้จักอาบน้ำรู้จักแต่งตัวในช่วงที่เรายังเด็กๆความรู้สึกของเราเพียงแต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแม้แต่ความอายเราก็ไม่มี เด็กๆ เ, เราสามารถที่จะแก้ผ้าอาบน้ำหรือเดินตามถนนได้อันนั้นเรายังไม่มีสติสำนึกเห็ชอบทั่วดีแล้วเราก็ไม่รู้สึกเหนียมอายแต่เมื่ออาศัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่พี่เลี้ยงนางนมได้ปลกสอนพี่และเล็กที่และน้อย เราค่อยมีความคิดมีสติมีพลังเพิ่มขึ้นตามลำดับเราก็เกิดความรู้สึกอายรู้สึกอะไรผิดรู้สึกอะไรถูกแต่เมื่อเรายังเด็กพ่อแม่ปล่อยให้คานต่มเตียมตมเตี่ยมอยู่ตามรานบ้านไปเจออะไรก็เยิบเข้าปากเรานึกว่าเป็นของกิน บางทีเจอขี้ไก่ก็หยิบเข้าปากเรานึกว่าขนมนี่อย่างนี้เป็นตน้นอันนั้นเรายังไม่มีสติเพียงพอจึงไม่รู้จักว่านั่นคือขี้ไก่นี่คือขนมแต่เมื่อเราผ่านการฝึกอบรมมีความเติบโตขึ้นความสำนึกเิ็ชอบเราเกิดขึ้นทีละน้อยล้ยจนกระทั่งบัดนี้ เราได้เข้าสู่สถาบันการศึกษามาโดยลำดับตั้งแต่อนุบาลท่านผสมมาระดับมัธยมเราได้ฝึกสติมาโดยลำดับเวลาที่ครูสอนให้อ่านหนังสืออ่านเขียนใส่กระดานดำแล้วอ่านว่าก็อไก ทีแรกเราก็อ่านทีเดียวเราก็จำไม่ได้เพราะว่าสติยังไม่มีความจำยังไม่เข้มแข็งพออ่านซ้าๆๆเข้าไปสติค่อยดีขึ้นแล้วก็จาได้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วสามารถเรียนมาถึงระดับที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเ่านั้นล้วนจะเป็นเรื่องของสติทั้งนั้น <c oughs> ดังนั้นที่เรามาฝึกอบรมสมาธินี่เพื่อเสริมพลังทางสมาธิและสติให้มีพลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นและเรายังมีภาระที่จะต้องฝึกสติและสมาธิเนี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยตามลำดับลำดับจนกว่าเราจะจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วเรายังจะได้ดใช้พลังสมาธิและสติ ไปประกอบธุรกิจการงานตามหน้าที่ของตนของตนเราจะต้องใช้สมาธิและสติดังนั้นยี่นี่สติแปลว่าความะระลึกเมื่อเราตั้งใจนึกถึงสิ่งใดอย่างแน่วแน่ความะระลึกเป็นอาการของสติความแน่วแน่ของจิตเป็นสมาธิมันไปพร้อมๆกัน ทีนี้เราจะมีสมาธิและมีสติเข้มแข็งเราต้องอาศัยการฝึกเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมองเห็นผ ล, ผลประโยชน์จังที่กล่าวมาท่านจึงได้นำพวกเรามาเพื่อจะมาฝึกอบรมสมาธิทีนี้ตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราทำอะไรเกี่ยวกับศาสนา <c oughs> เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการบหา้ครูทีนี้การบ้า้ครูเราได้ไหว้ไปแล้วอรหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงรัตตโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังเทขวันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นการไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศา ส, สดาเช่นเดียวกันกับนักเรียนเข้าห้องเรียนเมื่อเวลาครูเดินผ่านมาลุกขึ้นเปรียบทำความกราบสวัสดีข้าคุณครูนั่นเราไหว้ครูของเรา ทำไมเราจึงต้องไหว้ครูก็เพระครูเป็นแบบอย่างครูเป็นผู้สอนครูเป็นผู้ประสริทธิ์ประสัดวิชาความรู้ให้แก่เราเราต้องบ่ายด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการบูชาไวหว้มันถึงจิตถึงใจสิตะวาคาโตพัวาตาธรรมโม พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสไหว้ดีแล้วอันนี้ไหว้คำสอนธรรมังนัมปะสามิขะไปเจ้านมัสการพระธรรมอันนี้คือไหว้คำสอนหมายความว่าเราเรียนด้วยความเคารพปฏิบัติด้วยความเคารพ สุปฏิปันโนพระควะโตสาวะกัสังโฆระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายถึงผู้สืบาศาสดาบุคคลผู้เป็นตัวอย่างระสงท่านแสดงตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนั่งก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย เดินก็เดินด้วยการสํารวมโหดจาก็มีศีลมีสัตว์่านจึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราควรกราบไหว้สังฆนมามิขาพ เ, เจ้านอบน้อมประสงค์หมายถึงว่านอบนอบ้นอมน้อมจิตน้อมใจที่จะปฏิบัติตามอย่างประสงค์นั่นเองอันนี้คือวิธีการไหว้ครู ทีนี้พอเสร็จแล้วเราเพื่อจะแสดงกิริยาอาการน้อมจิตน้อมใจเพื่อเข้าให้ถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เราจึงว่านโมตัสสะพระคว์โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะถ้าไปเจา้าขอนอนน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ทางนี้ท้งนั้นเพื่อเป็นโอบายปลูกจิตปลูกใจให้มีความเคารพนอบนอ้อมในพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือพระพุทธโลกหรือไม่ใช่พระพุทธโลปนั้นเป็นแต่เพียงรูปแสดงว่าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าเพื่อจูงใจให้ลำเลึกถึงพระองค์ท่าน เป็นสิ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็มีรูปมีร่างมีตัวมีตนเดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์เราจะแตกต่างก็โดยที่พระองค์เกิดในสกูลกษัตริย์ซึ่งนักเรียนทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าคือท่านชายสิท ธ, ธัตถะแสดจออกบาพระชาแล้วปฏิบารีปฏิัาิชอบใจสำเร็จเป็นระสัมาสมพุทธเจ้า สิ่งเราจะได้เรียนรู้หลักแต่พิธีการปฏิบัติของพระองค์ในการต่อไป <c oughs> แต่แท้ที่จริงนั้นองค์ของท่านชายคือร่างกายตัวตนของท่านนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่เป็นร่างกายที่เป็นที่สิงสถ ป, ประดิษฐานของคุ ณ, ณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้า เราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนดั้ธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของท่านชายษษษเสตาตะเข็นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายของเรานี่พอเรียนจบเป็นลิญญาตรีตอบได้ได้ไปประกาศท่านก็เรียกว่าบัณฑิตถ้าได้เป็นลิญญาโทก็เรียกว่ามหาบัณฑิต ได้ปริญญาเอกก็เรียกว่าอภิมหาบัณฑิตซึ่งสังคมของวงการศึกษาท่านเรียกว่าด็อกเตอร์เช่นด็อกเตอร์ดาราวันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าด็อกเตอร์ดาราวันไม่จบปริญญาตรีโทเอกไม่มีพุที่ความรู้อะไรเราก็เรียกนางสาวดาราวันเฉย หรือบางทีเราอาจจะเรียกพี่ดาราวันเอื้อยดาราวันก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่เวลานี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเราต้องเรียกดอก็อกเตอร์ดาราวันในในธรรมเราลององเดียวมันนั้นท่านชายทติดทนัศนี่ท่านคนคนพรทธรรมะที่ติทธรรมจิตของของคนให้เป็นเป็นเจ้พระพุทธเจ้า แล้วก็ได้สําเร็จธรรมนั้นด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าในอาการของความมีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจนี่มันเป็นอย่างไรคนอย่างเรามีพระพุทธเจ้าไหมใครมีความรู้สึกสํานึกผิดชอบทั่วดีนักเรียนมีทุกคนเพราะเรามีความรู้สึกสํำนึกผิดชอบทั่วดีนั่นเองเราจึงมาเรียน มาเรียนเพื่อให้มีความรู้เพราะเรารู้สึกแล้วว่าความไม่มีความรู้นั้นไม่มีการศึกษามันกลายเป็นคนโง่เรารู้สึกว่าเราโง่ในตอนต้นเพราะเราไม่มีความรู้แล้วเราจึงตั้งใจมาเรียนมาศึกษาเพื่อจะให้เกิดมีความรู้ในหลักวิชาการตามหลักสูตรตามชั้นูมิที่เราเรียน อันนี้เรียกว่าความรู้สึกสำนึกที่นี้เมื่อเราเรียนเรียนแล้วเราลองนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองตลอดทั้งบิดามารดาครอบครัวของเราเรียกว่าเป็นผู้สำนึกผิดชอบชั่วดีทีนี้เพียงแค่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีดันมันยังไม่เพียงพอ เพราะพลังงานมันยังไม่พร้อมเราจึงจําเป็นต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสมาธิจนกระทั่งสามารถทําจิตให้กลายเป็นสภาวะเปลี่ยนจากความรู้สึกสํานึกขีดอดชั่วดีมาเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะแห่งความเป็นผู้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราจะต้องมีสติมีสติเตรียมพร้อมเสมอเตรียมพร้อมที่จะปะเะชิญหน้าต่อเหตุการณ์ไม่ว่าจะยากง่ายหนักหนวงเพียงใดก็ตามเราไม่ถอยเพราะเรามีพลังสมาธิพลังสติที่เข้มแข็งเรากล้าสู้กับสิ่งนั้นๆเพื่อป่าปันอุปสรรคแห่งชีวิต ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยความชอบธรรมซึ่งหลักและวิธีการอันนี้เราจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไปซึ่งบางทีครูบาอาจารย์ก็ได้ฝึกสอนนักเรียนมาแล้วแต่เที่มต้องมาวัดมาเข้าข่ายกันนี้เพื่อจ ะ, ะแสดงการปฏิบัติให้เข้มงวดจริงขึ้นเท่านั้นเอง ในนผู้ที่มาปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในเมื่อใครมาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าว่าทำบั ง, ง, งสังฆสารนังคัชชามิพระพุเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกก็หมายความว่าเราจะมารับเอาธรรมคําสอนไปปฏิบัติ การปฏิบัติทำตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องมีกฎมีระเบียบศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างความรักความเมตตาปราณีในการแลกกันเพราะขึ้นตน้นท่านจะบอกกับเราว่าอย่าฆ่ากันนะทำไมจะฆ่ากันนะนี่คือปานาติปาตาเวรมณีที่เราได้สมทานไปแล้ว ข้อที่สองอย่าเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนกันหมายถึงอธินาธานาเวรปนิหมดเป็นการรักขโมยที่ปนทอกุข้อที่สามปาเมศมิท ธ, ธาจานร์ก็จะข่มเหงกันหมายถึงการกระผิดประพฤติผิดประเวณีของกันและกันข้อที่สี่จะรังแกกันก็อย่าโกหกโคตรลม อย่าพูดกันอยา่าอย่าพูดต่อเสียยุยงให้เขาแตกเคร้าวกันข้อที่สี่อย่ามัวเมาในสิ่งที่จะทําให้เราเสียผู้เสียคนเช่นสุราเมรยัยยาปินเฮโรอีนกัญชารวมทั้งการดมกาวดมฮินเนอร์อะไรด้วยอันนี้เป็นหลักจะพิธีการสร้างความรักความเมตตากานีในกันและกัน เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเป็นกติกาที่เราจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติให้มั่นคงการทำอะไรในสถาบันใดต้องมีกติกาการเล่นกีฬาก็ต้องมีกติกาถ้าไม่มีกติกาการเล่นกีฬาก็เอาชนะได้ยากดังนั้นการปฏิบัติทำถ้าไม่มีกติกาก็ก็เอาดีได้ยาก ที่นี้ประโยชน์ของศีลห้าที่เราสมทันมาแล้วนั้นนอกจากจะเป็นอุบายพิธีฝึกอบรมจิตให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปรานีในการและกันแล้วยังกลายเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะว่า ปาณาจิบาทการค่าก็เป็นเหตุเป็นจำนวนให้ฆ่ากันเจวต่อเนื่องกันไปอันธินาทานไปทําให้ท่านหมดสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สมบัติท่านโปรดท่านก่อข่าเอาตาเมสุมิช้าจย์ไปละเมิดร่วมเกินลูกชายลูกสาวของท่านท่านโปรดท่านก็อข่าเอาโมสาบาทไปหลอกลวงให้ท่านเสียเกียรติยศเสื่อเสียงและทรัพย์สมบัติท่านโปรดท่านก่อข่าเอา โซรากินแล้วเมาคมสติไม่โยผ่านพาโลทะเละวิบาทกันเดียวก็ได้ฆ่ากันนี่เรามองเห็นประโยชน์มันได้ชัดอันนี้เป็นหลักสำหรับประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไมใ่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน <c oughs> แล้วประการต่อไปเป็นอุบายสำหรับตัดทอนผลเพิ่มของบาปต่ำ จะเรียกว่าตัดกัดตัดเวนก็ได้เราเชื่อในหลักเหตุหลักผลว่าทําอะไรลงไปแล้วมันมีผลกรรมคือการกระทําทําแล้วมีผลทีนี้เราจะตัดกัดตัดเวนทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องมารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อเรารักษาศีลห้าเช่นอย่างนักเรียนสมาทานแล้วรักษาต่อไปจนชั่วชีพิต แล้วไม่ทำบาปทํกตนตา ม, ตามกฎของศีลห้าเราก็ด้ชีวิตตัดกันตัดเวนตลอดไปทีนี้อีกประการหนึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นขอบเขบของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโลกดีไหมโกรธดีไหมหลงดีไหม รอบโปรดหลงพระท่านว่ามันเป็นกิเลสมันไม่ดีพระท่านสอนให้เราละให้ละกิเสลสรอบโปรดลงได้หรือเปล่าทีนี้เมื่อเราละไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราเอากิเสลสรอบโปรดลงเอาไว้เป็นพลังกระตุ้นเตือนใจ ให้เราเกิดมีความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นพิธีใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์นักเรียนอยากเรียนเก่งเอาความโลภมากระตุ้นให้มันเกิดความหมั่นความขยันอยากสอบได้เอาความโลภมากระตุ้นให้ขยันหัดเขียนหัดอ่านดูหนังสืออ่านหนังสือให้มาก ส้าง้องบนศาตร์ยายให้จําได้มากปากใช้ความโลภเป็นพลังงานแต่ที่เราใช้ความโลภเป็นพลังงานในการสร้างความดีการกระทำอันใดที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสความโลภแต่มันไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นบาป เราพยายามเอากิเลสให้ม น, หนุนใจของเราให้ประพฤติมีแนวโน้มไปในการสร้างความดีแระตุต้นให้เกิดความมัน่นความขยันในการศึกษาเ ร, าเรียนในการสแสวงหาทรัพย์สมบัติแต่การกระทาอย่าให้เิดเศษห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นการใช้ได้และที่สำคัญที่สุดหลงตาจะขอฝากเอาไว้อันหนึ่ง เอาไว้ให้ลูกหลานไปคิดเป็นการบ้านเียห้าข้อนี่แหละเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเวลานี้บ้านเมืองของเรารับรองหาร ะ, ระบอบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าหากเราต้องการอยากให้บ้านเมืองเราปกครองทันด้วยระบอบแห่งประชาธิปไตย <c oughs> เราต้องยึดเสียเป็นห้าเป็นหลัก สีนห้าข้อนี้เป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนะักเรียนรู้ไหมว่าหัวใจประชาธิปไตยมันอยู่ที่ตรงไหนใครลองตอบสักคนสิว่าอะไรเป็นหัวใจหัวใจของประชาธิปไตย หัวใจประชาธิที่ปไะใจอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนนี่คือยอดหัวใจของประชาธิี่ปไตยอยู่ที่นี่ที่นีนผู้มีศีลห้าแล้วมันเป็นประชาธิที่ปไตยได้อย่างไรก็เพราว่าพวมีศีลห้าแล้วเป็นผู้มีความเคารพในสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่ เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเคารพสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามนี่ถ้ามีศีลห้าแล้วเคารพหมดทุกสิทธิเพราะถ้นดันศีลห้าประการนี้จึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยถ้าใครมีพ่อแม่พี่น้องเป็นนักการเมืองให้นําเอาคําพูดของลองตานี่ไปเตือนใจเขาด้วยว่า ถ้าท่านต้องการให้มีประชาธิปไตยท่านต้องรักษาศีลห้าถ้าตราบไปที่ท่านไม่มีศีลห้าบ้านเมืองจะไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ขอให้เตือนเข้าอย่างนี้อันนี้คือผลประโยชน์ของการรักษาศีลห้ามีในดังที่กล่าวมาโดยย่อเมื่อใครก็ตาม มาตั้งใจจะละบาปตามกฎเกณฑ์ของศีลห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนการของการละบาปสิ่งที่เราเรียกว่าบาปบาปบาปนะที่พ่อแม่เราเคยสอนว่าอย่าทำอย่างนั้นมันบาปอย่าทำอย่างนั้นมันบาปเนะี่ยหมายถึงการละเบิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นบาปทันที แล้วก็เป็นบาตรโดยปกของธรรมชาติด้วยบาตตัวนี้ใครเป็นผู้สร้างขึ้นบาตรนี่มันมีตัวมีตนหรือเปล่าบาตได้มีตัวมีตนแต่ว่ามันแสดงความทุกข์ที่ใจของเราเอาอย่างสมมติว่าวันนี้ตัวให้การบ้านบาตนักเรียนไม่ทําการบ้านไปส่งครู พอถึงเวลากำหนดส่งมันเกิดบาปขึ้นมาทันทีมันบาปอย่างไรค ร, ครูจะลงโทษบางทีอาจจะไม่กล้าไปไปเชิญหน้ากับคุณครูได้ถือโอกาสกระโดดล่มหลบโรงเรียนไปก็มีอันนี้คือบาปทีนี้อย่างเราไปทำผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดศีลและทมได้ผิดกฎหมาย ซึ่งสังคมลุกพ่อแม่ผู้ปกครองตำหนิในเมื่อเราไปฝ่าฝืนไปปฏิบัติทิดในเมื่อรู้สึกผิดแล้วมันก็เกิดบาปขึ้นมาทันทีคือทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองกลัวจะถูกลงโทษอันนี้คือบาปที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้มีประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ผู้ดำรงอยู่ในสังคม เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมต้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันหนูน้อยบางคนอาจจะคิดว่าล้งตามาสอนให้รักษาศีลห้าแมไม่ไหวแล้วต่อไปเนี่ยเวลาอ่านหนังสือยุงมันมาจับมาเกาะมากัดลงตาไม่ให้ฆ่าตายแล้วเราเวลายงมันเข้าห้องนอนเยอะๆะเอาดีๆทีมาฉีดล้งตาก็วาเป็นปาก บางทีอยากจะทอดไขยรับทานอร่อยอร่อยก็ทำไม่ได้อดตายแล้วเราบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นอย่าไปหนักใจใครทนไม่ไหวยุงมันมากัดจะตบมันก็ได้ถ้ามันมีมากนักเอาดีดีทีมาเฉดไรมันก็ได้เอาถ้าไปฆ่าตัดแล้วมันจะมีศีลห้าได้อย่างไร ไม่มีก็ไม่เป็นไรสำหรับศีล5ในระดับปฏิเตระชันแต่ขอให้ทุกคนตั้งปณิทันให้แน่วแน่ว่าเพื่อนเชื่อว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คกมเ้งไม่ลังแกไม่ออตถาตาร้อนสร้างความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์ก่อน ใครมีความันเป็นจะฆ่าเป็ดข่าไก่แกงกินเชิญตามสบายแกงสุกแล้วเอามาจังหันล้งตาตัวเก็ได้แต่ว่ามนุษย์จะไปแต่ต้องให้ตั้งใจให้แน่วแ น, วแนว่ว่ามนุษย์ทั้นจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมแหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนแล้วท่านจะนึกเสมอว่าขอมนุษย์ตรงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดเอากันอย่างนี้ก็ได้ช่วว่าปฏิบัติศีลห้าในระดับของมนุษย์เราได้ยึดเอาหลักธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้เกิดมีการฆ่ากันเอากันเพียงแค่นี้ก่อน เมื่อเรามาสร้างความรักความเมตตาปราณีในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์แล้วตามธรรมชาติของการสร้างความดีน เ, เนี่ยความดีมันจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีทุกทีในเมื่อความดีมันมีพลังงานพร้อมคือความรักความเมตตามันพร้อมมันจะแผ่กลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานเองแล้วในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะฆ่าไม่ได้ นี่ให้มันค่อยเป็นค่อยไปกันอย่างนี้เวลานี่นักเรียนทำสมาธิหรือเปล่าเวลานี่นักเรียนกาลังทำสมาธิพระเรามีใจมีจิตใจตั้งมัน่นจดต้องอยู่ที่การฟังทำก่อนที่จะจบนี้ขอฝากวิธีการทำสมาธิในห้องเรียน บางทีเราอาจจะให้เวลาเนาะเอาเวลาเรียนไปนั่งสมาธิซึ่งทำให้เสียเวลาเรียนการทำสมาธิในห้องเรียนทำอย่างนี้พอรูมาเยืนหน้าห้องปับมองที่ตัวครูส่งใจประมว้ที่ตัวครูอย่างเดียวเอากันเพียงแค่นี้ ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันเราจะได้สมาธิในการเรียนในห้องเรียนถ้ากว่าครูบาอาจารย์จะ <c oughs> ไม่คิดว่ามันแหวกแนวจนเกินไปพอเราไปเยินหน้าห้องครับก่อนที่จะสอนนักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวครูส่งใจมารวมใบที่ตัวครูจะให้สายตายและใจไปอื่นบาทเตยโคจะถ่ายทอดพลังจิตจากวิชาความรู้ให้พวกเธอ พวกเธอจงตั้งใจรับพลังจิตและวิชาวความรู้จากฉั้นอย่างตรงไปตรงมาอย่าบิดเบี้วมีอะไรก็สอนไปสอนไปสอนไปเตือนไปเป็นระยะระยะระยะถ้าทําอย่างนี้เด็กของเราจะได้สมาธิในห้องเรียนโดยที่ไม่ต้องแย่งเวลาเรียนไปฝึกสมาธิที่ไหนก็ได้ตัวอย่างเด็กที่โคราชท้องเราเนี่ยทาได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้ว วันนี้เขาไปเยี่ยมหลวงตาที่วัดลูกสาวของอาจารย์ลักษณาที่เทคโนโลก่อนที่เขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยหลวงตาแนะให้เขาปฏิบัติอย่างนี้ผลปรากฏว่าเขาได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเขาเป็นอย่างดีทําให้เขามีความเข้าใจมีใจมั่นคงในตอนแรกๆสายตาและจิตของเขาไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ภายหลังสายตายังจ้อง แต่ว่าใจมันย้อนมาอยู่ที่ตัวเองมาถึงตอนนี้ครูอธิบายอะไรให้ฟังพอครพูพูดจบปับ๊เขาสามารถรู้ลงหน้ามาตอบไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านขั้นฐานจบใจมันโอ้โหไปนิดหนึ่งคำตอบก็ฝึกขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาก่อนหน้าที่จะไปสอบใจมันบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกตรงนี้แล้วเวลาไปสอบมันออกมาจริงๆ บางทีเาก็ไปบอกเพื่อนฝูงให้ดูหนังสือ <c oughs> พอเสร็จแล้วเพื่อนพอข้อสอบมันออกมาจริงๆนะ <c oughs> เพื่อนก็กล่าวตู่ว่าไปได้ข้อสอบรู้จากอาจารย์มานี่มันเป็นอย่างนี้นอกจากนักศึกษาคนนแล้วคนอื่นๆเขาก็ไปปฏิบัติได้ลผลเป็นที่พอใจนักเรียนแพทย์สามารถใช้สมาธิตรวจโลกได้เรารู้ว่ากาเป็นโรคอันนี้เราควรจะให้ยาอะไร นี่คนเมืองโคราชเนี่ยเขาทำได้ผลมาแล้วหลายคนไม่น้อยกว่าสิบคนเพราะงั้นนักเรียนทั้งหลายพากันจําเอาไว้วิธีทําสมาธิในห้องเรียนสิ่งนี้หลักของการปฏิบัติศาลาสมาธิแบบสาธารณะทั่วไปไม่ต้องนัง่งไม่ต้องยืนไม่ต้องนอน <c oughs> และไม่ต้องยืนให้เรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา หมายความว่ามีสติรู้ตัวอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันเยืนเดินนั่งนอนรับกานดื่มทาพูดคิดให้มีสติ ร, รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปไหนเวลาเรานอนลงไปคิดมาคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปห้ามมันมันจะคิดเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องดีเรื่องทั่วเรื่องบาปเรื่องบนุนปล่อยให้คิดไป ถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันพอนอนหลับพบลงไปจิตมันจะนิ่งสว่างขึ้นมาได้สมาธิในเวลานอนทในการทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโ น, โนกรรมกายกรรมคือการทำวจีกรรมคือการพูดมโนกรรมคือการคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูปวันพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรม จะได้เจต ท, ที่เราปล่อยให้มันเคิดเคดเคดคดไปตามเรื่องตามเราก็มันตามธรรมชาติของจิตนี่เราไม่ได้ตั้งใจจกคิดเมื่อไม่มีความตั้งใจเราก็ไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาจิตมันเคิ็ดขึ้นมาลอยๆอย่างไม่ได้ตั้งใจมันไม่สําเร็จเป็นมโนกรรมนี่นะักปฏิบัติตั้งหลายเนี่ยเขามักจะทักท ว, วงว่า เมื่อเราปล่อยจใจคิดไปเผื่อว่ามันไปคิดเรื่องบาปเรื่องอกุศลมันจะไม่เป็นบาปหรือไม่บาปแต่ถ้าเราตั้งใจคิดมันบาปแต่จิตคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่มีเจตนามันไม่บาปเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนลองไปรอบปลอยให้จิตมันคิดไปแต่อย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดนะให้มันคิดเองของมันหน้าจีตของเราเพียงแต่รู้ๆๆๆๆอย่างเดียวรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ ในบรลลปภบลงไปจิตมันสว่างขึ้นมาได้สมาธิบางทีความรู้ที่เราแก้ไขปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่แก้ปัญหาตกเคยมีไหมนักเรียนคิดอะไรคิดวนไปวนมาวนไปวนมาเช่อย่างเวลาสอบเนี่ย ถามถา ม, ถามมาแล้วเรายังตอบไม่ได้เราต้องใช้ความคิดอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคิดไปคิดมาวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นในขณะที่เราคิดวนเวียนอยู่นี่เรากําลังฝึกสมาธินี่เป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคฝึกสมาธิทีนี้พอเผลอไปจิตของเราว่างวูบลงไปนิดหนึ่งนี่จิตมันเข้าสมาธิแล้วความรู้ที่เราต้องการรู้มันพุ่งขึ้นมา นั่นคือปัญญาในสมาธิอาการบูลงไปของจิตมนเนียงปับ๊บนี่คือสมาธิความรู้สึขึ้นมาได้คำตอบนั่นคือวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเพราะงั้นสิดลงตาเสนอแนะหลักและวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนก็ดีทำสมาธิในแบบสาธารณะทั่วไป สมาธิสาธาณะทั่วไปนี่ได้แก่การฝึกสติอย่างเดียวคือทําความรู้สึกให้มันรู้พร้อมอยู่ที่ใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดอะไรจิปาถะให้มีสติรูปเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งละลิกถ้าเราตั้งใจจริงมันจะเกิดพลังงานขึ้นทุกทีทุกทีในที่สุดเราจะได้สมาธิ8 ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ปละในการเปิดอบรมสมาธิภาวนาถึงแล้วได้ทํที่ตีมาตั้งแต่เบื้องต้นสําหรับช่วงนี้ก็พักไว้ที่ต่อยเพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวจัดที่พักเอางั้นใช่ไหม ก็เป็นนั้นว่าการให้อวบในวิธีการเปิดอบรมสมาธิภาวนาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้